บทที่81พระอุดมวิชายานเจ้าคุณอาจารย์หรือพระอุดมวิชายานเถระอายุราว40รูปร่างสันทัด ผิวคร้ำแต่ไม่ถึงกับดำเหมือนหลวงพ่อในป่าถ้าทางท่านทรงภูมิธรรมเต็มเปี่ยมองค์นี้แหละที่หลวงพ่อในป่าบอกเราว่าเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้พร ะ, จะเจริญนึกในใจและดูเหมือนว่าเจ้าคุณอาจารย์จะอ่านใจพระนุมออกจึงพูดว่าทุกคนเป็นคนเก่งได้ทั้งนั้นทำไมละความเพียร ท่านมองหน้าพระเจริญและพูดอีกว่าในวันข้างหน้าคุณจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกพวกฝรั่งมังค่าจะต้องมาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแต่ผมพูดภาษาฝรั่งไม่เก่งนะครับเจ้าคุณอาจารย์พระน่งออกตัวไม่เป็นไรถึงจะพูดไม่ได้ แต่รับรองว่าคุณสอนพวกเขาได้แล้วพวกเขาก็จะศรัทธาเลื่อมใสคุณมากอายุ45ไปแล้วคุณจะมีชื่อเสียงก้องโลกแต่ระหว่างนี้คุณต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุดพิกษุวัยเบญจเพศออกแปลกใจที่จะคุณอาจารย์พูดเหมือนเหมือนกับพระในป่าหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในทางธรรม เมื่ออายุสี่สิบห้าไปแล้วเสร็จพิธีขอกรรมฐานเจ้าคุณอาจารย์ก็เริ่มอธิบายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่เริ่มตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานมีใครเคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนไหมท่านถามเมื่อไม่มีผู้ใดตอบพระเจริญจึงเรียนท่านว่าผมเคยปฏิบัติแนวพุทโธมาก่อนครับ พุธหายใจเข้าโทหายใจออกและเดินจงกรมโดยก้าวเท้าขวากำหนดพุธเท้าซ้ายกำหนดโทผมทำถูกหรือเปล่าครับเจ้าคุณอาจารย์ไม่ตอบว่าถูกหรือผิดหากท่านพูดว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งอยู่ในทีคานิกายมหาวัฏ พระไตรปิฎกเล่มที่สิบข้อที่273ถึงส0มมีบอกไว้ชัดเจนยืนเดินนั่งนอนคูแขนเหยียดขามีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตแต่เรามาทำพุทโธกันเองคุณทราบไหมพุทโธธรรมโมสังโฆคืออะไรท่านถาม และยังไม่ทันที่ผู้ใดจะตอบท่านก็ตอบซสเองว่าพุทโธมาจากพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ว่าหญิงหรือชายก็เป็นพุทธะได้หากปฏิบัติถูกทางและอย่างถูกต้องแต่การที่คุณเดินจงกรมกำหนดพุทโธไว้ที่เท้านะ่ะ คุณคิดว่าถูกต้องไหมทำไมเอาตำราพระพุทธเจ้าไปไว้ที่เท้าล่ะบาปมากนะขอให้เลิกทำเสียตั้งแต่บัดนี้ดูตัวอย่างพระสารีบุตรสิพระอัศชิอาจารย์ท่านอยู่ทางทิศไหนท่านจะนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นใช่ไหมต้องเคารพครูบาอาจารย์สิอย่าเอาท่านไปไว้ที่เท้า ครับผมจะเลิกทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมไม่มีครูอาจารย์สอนมาก่อนจึงคิดขึ้นมาเองเพิ่งจะทราบจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าบาปมากพระหนุงยอมรับความผิดพลาดของตนเอาละถือว่าผิดเป็นครูก่อนแล้วกันที่นี้จะพูดถึงอนาปานสติการกำหนดพุทธ หายใจเข้าโทหายใจออกก็คืออาณาปานสตินั่นเองแต่ที่นี้เราจะให้เปลี่ยนมากาหนดที่ท้องแทนที่จะเป็นลมหายใจทางจมูกการกาหนดที่ท้องให้กาหนดพองหนอเมื่อท้องพองและกาหนดยุบหนอเมื่อท้องยุบฟังดูไม่ยากใช่ไหม แต่เวลาปฏิบัติจริงยากนะเพราะจิตเราจะไม่สามารถจับอยู่ที่การกำหนดอย่างนี้ตลอดไปมันจะซัดสายไปหาอารมณ์อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะธรรมชาติของจิตคือการเสวยอารมณ์ในสังยุตติกายนิทานวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อที่ร1 4ส พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าเหมือนลิงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิงเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยจากกิ่งนั้นแล้วก็ไปจับกิ่งอื่นมันปล่อยจากกิ่งนั้นแล้วก็ไปจับกิ่งอื่นมันปล่อยจากกิ่งนั้นแล้วก็ไปจับกิ่งอื่นฉันใดธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้าง วิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเมื่อรู้ธรรมชาติของจิตเช่นนี้แล้วเราจะได้หาวิธีทําให้จิตจับอยู่กับอารมณ์ที่ต้องการเจ้าคุณอาจารย์อธิบายภาคปริยัตจากนั้นจึงได้ให้อาจารย์แพง และมหาหนูสอนภาคปฏิบัติเริ่มจากการเดินจงกลมระยะที่หนึ่งโดยการกำหนดขวาย่างนอและซ้ายย่างนอเมื่อลูกศิษย์เข้าใจกันดีแล้วท่านจึงให้แยกย้ายเข้าไปปฏิบัติในห้องนอนของตนพระเจริญกับเนนทองดีเข้ามาปฏิบัติในห้องเดียวกัน แบ่งเขตการเดินจงกรมคนเป็นเนนปฏิบัติอย่างเอาจิงเอาจังเดินจงกรมแล้วนั่งเมื่อนั่งครบเวลากำหนดแล้วก็ลุกเดินจงกรมสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งถึงเวลาฉันเพนพระเจริญเห็นเนนปฏิบัติอย่างขมักขม่นก็เกิดความเวริยะอุตสาหะดูภายนอกเหมือนว่าท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ หากภายในจิตใจนั้นมิได้สงบท่านคิดถึงโยมยายเป็นห่วงโยมมานดากังวลเรื่องการสร้างพระอุโบสถวัดพรหมบรุรีว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่พระมหาโหน ซึ่งอยู่คณะสลักเป็นผู้สอบอารมณ์เรื่องการปฏิบัติท่านพอใจที่เนนทองดีปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากกว่าใครในรุ่นทั้งที่เป็นสมเณรอยู่รูปเดียวนอกนั้นเป็นพระภิกษุตั้งแต่25หไปถึงห้าสิบห้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเนนทองดีได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่หขณะที่เพื่อนร่วมห้อง คือพระเจริญยังไม่ได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่สองพระหนุมรู้สึกหงดหงิดจึงตัดเพออาจารย์ผู้สอนว่าท่านมหาเลื่อนขั้นให้ผมบ้างสิผมยังไม่ได้ยกหนอเยยบหนอเลยได้แต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาตั้งเดือนแล้วคุณยังเลื่อนไม่ได้ เดินระยะหนึ่งยังสอบไม่ผ่านเลยจะให้เลื่อนได้ยังไงมหาหนูไม่ยอมใจอ่อนที่เน้นทำไมถ้าเลื่อนให้นี่เขาเดินระยะหกแล้วผมยังอยู่ระยะที่หนึ่งอยู่เลยบอกตามตรงว่าผมชักอายเนยแล้วละ่ะนี่ผมตั้งใจจะเอามารับใช้นะทําไมถึงข้ามหน้าข้ามตากันอย่างนี้ท่านบน ก็เขาสอบผ่านผมก็ต้องเลื่อนให้เขาหน่ะสิคุณอายเนนก็ดีแล้วจะได้ตั้งใจปฏิบัติผมอยากเลื่อนให้คุณจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณสอบไม่ผ่านผมก็เลื่อนให้ไม่ได้มันอันตรายมากรู้ไหมมหาจากคณะสลักอธิบายทำไมเนนเขาสอบผ่านล่ะครับ นักทำตรีเขายังไม่ได้เลยส่วนผมได้นักทมโทตั้งแต่พรรษาที่สองมันไม่เหมือนกันนะคุณภาควิชาการกับภาคปฏิบัติมันต่างกันลิเปลับเน้นข้ออายุยังน้อยไม่มีเรื่องคิดกังวลเลยปฏิบัติได้ผลส่วนคุณคงกังวลอะไรสักอย่างหรือไม่ก็คุ้นคิดอยู่กับวิชาการ เลยปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคงจริงอย่างที่ท่านมหาพูดมาต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่คิดไม่กังวลเป็นอันว่ามารืนนี้ผมคงได้รับอนุญาตให้ฟังเทศลำดับยานใช่ไหมครับอย่างก่อนเพราะคุณยังไม่ผ่านการเดินระยะที่หกส่วนเนนคงได้ฟังคุณใจเย็นๆ น, นะขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ผมขอฟังก่อนไม่ได้หรอครับโปรดยกเว้นผมสักคนเถอะพิสุไวเบนเจเพศอ่อนวอนไม่ได้หรอกคุณมันอันตรายมากเลยนะถ้าทำอย่างนั้นทาไมล่ะครับพระหนุ่มไม่เข้าใจก็มันไม่เป็นวิปสัสสนาสิมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกเอาตามใจชอบก็จะไม่ได้ของจริงได้แต่ของปลอม โธ่ท่านให้ผมฟังเถอะครับจะได้รีบกลับวัดนี่ผมสร้างพระอุโบสถไม่เสร็จเลยถ้าท่านมาหาให้ผมฟังเทศลำดับยานพร้อมกับเนนผมจะได้กลับวัดไปสร้างโบสถ์ต่อพระหนุ่มคิดว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่มหาหนูกลับพูดว่าที่คุณไม่ได้อะไรเพราะคงกังวลกับเรื่องสร้างโบสถ์ค้างอยู่นี่เอง ต้องปรงให้ได้นะไม่งั้นเสียเวลาเปล่าทางนี้ไม่ได้ทางโน้นก็ไม่เสร็จเลยไม่ได้เรื่องสัดทางทำไมคุณไม่คิดว่าไหนๆทางวัดเขาก็ส่งคุณมาแล้วคุณต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตัดความกังวลเรื่องอื่นๆออกไปเสียเชื่อผมเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะสอบเลื่อนขั้นได้เอง ไม่ใช่มาขอความเห็นใจหรือมาขอคะแนนจากอาจารย์ภาควิชาการคุณอาจจะทำได้อย่างนั้นแต่ภาคปฏิบัติถือว่าอันตรายที่สุดหากคุณกระทำอย่างนั้นตกลงท่านจะไม่ยอมใจอ่อนหรอกครับผมอุตส่าห์พูดจนเมื่อยปากแล้วพระนมต่อว่าผมใจอ่อนไม่ได้หรอกคุณ นี่ผมหวังดีต่อคุณจริงๆนะถ้าผมทำอย่างที่คุณขอร้องจะทำให้เสียหายมากแล้วคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากที่คุณปฏิบัติถึงขั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์อาจารย์แพงได้พูดกับพระเจรินว่านี่คุณสู้เนนไม่ได้แล้วนะเนนก็เดินระยะหกแล้ว ส่วนคุณยังไม่ได้เลื่อนขึ้นระยะสองเลยท่านไม่รู้ว่าคำพูดนั้นจะไปแทงใจดำพระหนุมอย่างจังมหาหนูเห็นพระเจริญหน้าเสียจึงออกมารับว่าคุณเจริญเขากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์ผมสอบถามดูแล้วจึงรู้สาเหตุว่าทำไมเขาถึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเห็นจะจริง เนนเขายังเด็กไม่มีอะไรต้องกังวลก็เลยปฏิบัติได้เร็วเมื่อกี้ผมสอบอารมณ์ข้ตอบได้ฉะฉานดีเลิศเกินเด็กมันปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ใหญ่คุณเจริญอย่าไปกังวลเลยนะท่านปรอบเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าสยของพระหนุ่มเนนเขาจนสำเร็จหรื อ, อยังครับท่านมหาพระหนุ่มถามมหาหนู ท่านกังวลว่าหากเนนสําเร็จจะกลับวัดไปก่อนท่านก็จะไม่มีเพื่อนคงเร็วเร็วนี่แหละเรียกว่าเก่งที่สุดในรุ่นเลยพวกที่มาอยู่ก่อนก็ยังไม่มีใครเก่งเท่านี้มาหาหนูชมเขานั่งตะพื้เลยครับอดทนดีเหลือเกินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ตอนหลัง จะหนักไปทางนั่งนั่งได้ทีละหลายชั่วโมงรัเเริญรายงานความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมห้องคุณก็เอาอย่างเขาสิจะได้สอบอารมณ์ผ่านได้เลื่อนขั้นกับเขาเสียทีอาจารย์แพงบอก รับผมจะพยายามพระหนุ่มรับคำทั้งรู้สึกว่าเสียหน้าท่านคิดว่ากลับห้องจะต้องแอบถามเนนทองดีว่าตอบอย่างไรจึงสอบผ่านเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ขอเอาทางอ้อมก็แล้วกันพระเจริญกลับห้องในเวลาไล่เลี่ยงกับเนนทองดีท่านกรัวว่าเนนจะนั่งภาวนาเสียก่อน จึงรีบถามขึ้นว่านี่เนนบอกมั่งสิไปตอบอยังไงถึงได้เลื่อนขั้นเนนต้องดีตอบว่าพูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดพระหนุ่มชักโกรธจึงรุกว่าพูดได้สิมีปากพูดนี่บอกหน่อยอยู่ได้ไหมนี่เราอายเนนแล้วนะมาตั้งเดือนยังไม่ได้เลื่อนขั้น ท่านเนนบอกเราจะได้เลื่อนขั้นอย่างเนนบ้างท่านแทนตัวเองว่าเราแทนที่จะเป็นหลวงพี่เช่นแตกก่ก่อนบอกไม่ได้อาจารย์ไม่ให้พูดเนนยังยืนยันเหมือนเดิมพระเจริญอยากจะโกรธแต่เมื่อคิดว่าเนนเป็นคนเชื่อฟังอาจารย์ก็โกรธไม่ลงอีกประการหนึ่งเนนน้อยก็ไม่ได้แสดงอาการดูถูกดูแคลนว่าปฏิบัติสู้เขาไม่ได้ ยังคงทำตนเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเมื่อตอนมาใหม่ๆแต่จะผิดแผกไปจากเดิมก็คือมาระยะหลังนี้เขาพูดน้อยลงจนบางวันแทบจะไม่พูดครั้นพูดก็ปรากฏว่าหายติดอ่างแล้วเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นอนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เป็นอันว่าพระเจริญไม่ผ่านคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับญาณซึ่งพระภิกษุชาวพม่ า, มาชื่อท่านอาสภพเถระเป็นผู้เทศมีทูตจากสถานทูตพม่ามาแปลเป็นภาษาไทยใช้เวลาเทศหกชั่วโมงเต็มๆคือตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มผู้ที่มาเข้าปฏิบัติวันเดียวกับพระเจริญ มีเนนทองดีรูปเดียวเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับยานได้นอกนั้นเป็นพระภิกษุที่มาปฏิบัติอยู่ก่อนเพราะการคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มงวดมากใครไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังเมื่อถึงเวลาเทศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าฟังก็ไปนั่งรอในโบสถ์ ปิดประตูทุกทิศเพื่อการไม่ให้คนอื่นฟังพระเจริญอยากฟังมากในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตท่านจึงไปแอบฟังที่หน้าต่างซึ่งเปิดอยู่ครั้นฟังไม่ค่อยถนัดจึงเะเง้อเข้าไปในโบสถ์อาจารย์แพงผ่านมาเห็นเข้าจึงรีบมาดึงตัวออกไปอย่าทำอย่างนั้นอันตรายมากรู้ไหม ท่านกำชับก็ผมอยากฟังนี้ครับพระหน่มแก้ตัวอยากฟังก็ต้องเร่งปฏิบัติให้มากสอบผ่านเกณฑ์เมื่อไรคุณได้ฟังแน่มาแอบฟังอย่างนี้ทำให้เสียหายมากรู้ไหมถ้าท่านจะคุณอาจารย์รู้ข้าวคุณถูกตำหนิแย่ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะท่านกําชับพระหน่มไม่ยอมรับปาก ท่านคิดว่ามีโอกาสเมื่อใดต้องมาแอบฟังให้ได้ไปคุณกลับห้องไปปฏิบัติได้แล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องอย่างเงางอยเมื่อเข้ามาในห้องไม่มีเน้นนั่งภาวนาเหมือนเช่นเคยยิ่งรู้สึกอ้างว้างวังเวงท่านไม่มีแก่ใจแต่ปฏิบัติจึงจัดการส่งน้ำและจังวัดท่านหลับไปตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งมารู้สึกตัวอีกครั้ง เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเนนกี่โมงแล้วท่านถามเหมือนคนละเมอสองทุ่มเศษแล้วผมเพิ่งกลับจากฟังเทศลำดับยานท่านเทศหกชั่วโมงเต็มเต็มเนนที่เคยพูดติดอ่างพูดไม่ติดเลยสักนิดท่านเทศว่ายังไงบ้างหลวงพี่อย่าเพิ่งรู้เลยไว้หลวงพี่ฟังเองดีกว่าออ ประเดี๋ยวผมจะไปนั่งจนรุ่งเช้าเลยถ้าเกิดผมนั่งนานผิดปกติหลวงพี่ไม่ต้องตกใจนะครับตกลงเราจะไม่รบกวนเนนขออนุโมทนาด้วยนะเนนทองดีเริ่มนั่งภาวนาตั้งแต่สองทุ่มจนรุ่งเช้าก็ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นพระเจริญได้แต่นั่งรอเวลาเมื่อไรเนนจะออกกระทั่งบ่ายสองโมง พระหนุ่มจึงออกไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์แพงทำไมวันนี้เน้นไม่มาสอบอารมณ์อาจารย์แพงถามพระหนุ่มท่านยังนั่งภาวนาอยู่เลยครับนั่งตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ป่านนี้ยังไม่ออกมหาหนูได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจึงหรือสงสัยจะเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติเป็นอย่างไรครับพระเจะริญถาม บอกไม่ได้ต้องไปปฏิบัติเองจึงจะเข้าใจอะไรๆก็บอกไม่ได้ผมชักเบื่อแล้วนะถามเนเนเนรก็พูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดเมื่อรู้อะไรกันักหนาพระหนุ่มบนอกใจเย็นๆคุณจเจริญคุณยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกตั้งห้าเดือนช้าๆได้พระสองเล่มงาม อาจารย์แพงพูดปลอบใจพระนม